ต่อไปนี้พวกเราจะมาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอัพอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้มีความฉลาด แหลมคมที่สามารถรู้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็น วิธีการดับทุกอย่างท้าวรได้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถเห็นได้รู้ได้หรือทำให้ความทุกข์ดับไปได้อย่างท้าวรที่ทำกันได้ก็ในระดับการดับความทุกข์แบบชั่วคราว แบบเป็นเป็นครั้งเป็นข่าวไปแต่จะไม่สามารถที่จะทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตวโลกให้หายไปหมดได้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อการบุดพ้นจากความทุกข์ก็ทรงศึกษา กับผู้รู้หลายท่านด้วยกันแต่ผู้รู้เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสอนวิธีการดับทุกข์อย่างถาวรได้พระองค์จึงต้องศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบกับ วิธีการดับทุกข์อย่างท้าวรหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบและได้ดับความทุกข์อย่างถาวรแล้วพระองค์จึงนำเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็สามารถทำลายความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเพียงพระองค์เดียว ในบรรดาสัตว์โลกที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนนี้ที่สามารถค้นพบวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพองค์เองพอพองค์ได้ส่งค้นพบและดับทุกข์ได้แล้วแล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้ที่สามารถ นำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างท้าวรอนเป็นจำนวนมากและเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังมีผู้ที่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับในสมัยพระพุทธกาลเหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าส่งเป็นผู้ส่งสั่งสอน ด้วยพระ อ, องค์เองพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์จึงเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาเหมือนสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่เมื่อมีการจเจริญตอบโตเต็มที่แล้วก็จะมีการเสื่อมไป หมดสภาพไปแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็ยังเป็นอย่างนั้นในสมัยนี้สามารถนําผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรในสมัยพระพุทธกาลก็สามารถนําพาผู้ปฏิบัติให้พ้นจากกองทุกข์อย่างถาวรได้ ในปัจจุบันเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยผู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัตินี้มีทุกเพศทุกวัยที่มีความสามารถน้อมนำเอาไปประดับปฏิบัติมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคารวาด มีทั้งนักบวชพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดไว้ให้เฉพาะนักบวชเท่านั้นมีให้กับทุกๆคนที่มีความสามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้พระอริยสงสาวกที่ไดุ้ดทนจากความทุกข์ จึงมีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชมีทั้งคราวาดเพราะการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยนั่นเองแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ4ประการคือ 1. สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติปฏิบัติดี 2. อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ สามีจิตปฏิปโนปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจัดเป็นสี่คู่ด้วยกันคือคู่ที่หนึ่งมรรคผลคู่ที่หนึ่งก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล คู่ที่สองก็คือสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลคู่ที่สามก็คืออนาคามีมักอนาคามีผลและคู่ที่สี่คืออรหัตตมักอรหัตตผลพอได้บรรลุอรหัตผลก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานตามลำดับ พร้อมๆกันไปท่านถึงเรียกว่ามรสีผลสีนิพานหนึ่งเป็นการดับความทุกข์ไปตามลำดับในแต่ละขั้นขั้นแรกก็ดับความทุกข์ไปส่วนหนึ่งขั้นที่สองก็ดับไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ขั้นที่สามก็ดับเพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งขั้นที่สี่ก็ดับได้ครบหมดกพดับครบหมดก็จะได้พระนิพพานคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้บรลงัลงาลมมสุขคือปรามังสุขขังถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการดับไฟที่เราติดไว้ในบ้าน เวลาราไม่ต้องการจะใช้ไฟเราก็ปิดไฟแต่ละดวงติมีไฟอยู่สี่ดวงเราก็เดินไปปิดที่ละดวงดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่พอปิดหมดมันก็จะมืดสดนิทฉันใดความทุกข์ก็จะหมดไปอย่างเต็มที่ในขั้นที่สี่ ท่านของพระอารามอารหัตผลนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพึงได้รับคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ไป ตามลำดับหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปตามลําดับขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปขั้นที่สองก็จะทําให้ การเวียนว่ายตายเกิดเหลือเพียงหนึ่งชาติขั้นที่สามนี้ก็จะทําให้การกลับมาเกิดในภพของมนุษย์นั้นหมดไปผู้ที่บรรลุขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่จะไปเกิดเป็นพรหม ส่วนพระอรหันต์ขั้นที่สี่ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบเลยไม่ว่าแม้แต่สวรรค์ชั้นพรมก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่คือความประเริดผลอันประเริดที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีศรัทธาความเชื่อใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะนี่คือหลักของเหตุของผลนั่นเองผลย่อมเกิดจากเหตุ ถ้ามีเหตุก็จะมีผลตามมาเหมือนกับการปลูกผลไม้ต่างๆถ้าเราปลูกส้มเราก็จะได้ต้นส้มได้ผลส้มปลูกข้าวก็จะได้ต้นข้าวได้รวงข้าวปลูกอะไรก็จะได้ผลอย่างนั้นผลจะเกิดขึ้นก็ เกิดจากการที่เราปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นนั่นเองเหตุที่จะทำให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นเรียกว่ามรรคแมรรคที่มีองค์8ดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสองสัมมาสังกปความคิดที่ถูกต้อง สัมมากรรมมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายาโมวาความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความเมอร์กรูที่ถูกต้องสัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือเหตุที่จะทําให้ผลคือมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาตามลําดับมรรคข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความคิดที่ถูกความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไรก็ความเห็น ที่มีเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากเหตุคือตัณหาทั้งสามนี้คือกามตัญหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้อง ระ ง, งับเหตุทั้งสามนี้สิ่งที่จะระ ง, งับเหตุทั้งสามนี้ได้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้เองนี่คือเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมาหยุดความอยากทั้งสามหยุดกามตัณหาความอยากใน การมคุณห้าการมคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพสัมผัสกันอยู่ศาสตร์ใดที่เรายังมีความยินดีมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยู่จาสตร์นั้นเราก็ยังต้องมาหาร่างกาย เพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เมื่อต้องใช้ร่างกายพอร่างกายอันนี้หมดสภาพไปความอยากในกามในรูปเสียงเกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะดึงเราไปให้ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาเราก็ต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกกับการแก่ของร่างกายมาทุกกับการเจ็บป่วยของร่างกายและมาทุกกับความตายของร่างกายนอกจากนั้นก็ยังต้องมาทุกขกับการพัดภาคจากบุคคลและสิ่งต่างๆที่เรา รักเราชอบไปและต้องมาประเชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบบุคคลที่เราไม่ชอบซึ่งก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนี่คือผลที่เกิดจากการมีความอยากในการมรรคทั้งห้าคือกามาตานหาเช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็นภาวะตานหา เราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะมาแสวงหาลาบยศสัระเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้จะเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นไม่ได้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นไม่ได้ ถ้าไม่มีร่างกายก็ต้องมีร่างกายถึงจะมาเป็นได้นี่คือความอยากที่จะดึงให้เราไปเกิดใหม่และความอยากชนิดที่สามคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่จนอยากไม่ลำบาก อยากไม่ทุกข์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่เวลาเรามีร่างกายที่ไม่ดีหมดสภาพไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของมันได้เราก็อยากจะหนีจากร่างกายอันนี้ไปเพื่อเราจะได้ไปหาร่างกายอันใหม่ อันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตันหาเช่นคนที่ค่าตัวตายนี้ก็เป็นผลจากวิภาวะตันหาเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไปไม่สามารถหาความสุขกับสภาพ แ, แค่นได้ก็อยากจะหนีจากสภาพนี้ไปก็ค่าตัวตาย พอเข้าตัวตายแล้วก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แต่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะมาเจอสภาพแบบเดิมอีกเจอปัญหาแบบเดิมอีกเพราะโลกของร่างกายนี้เป็นโลกของอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาพอไปเจอความเสื่อมเจอความสูญเสียอีก ก็จะฆ่าตัวตายก็จะทำไปติดเป็นนิสัยไปทุกภพทุกชาติเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับปัญหาทุกยากลำบากก็จะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างอย่างยิ่งใหญ่ ก็ไม่มีใครอยากจะข่าตัวตายกันแต่ถ้าถึงกับอยากจะข่าตัวตายก็แสดงว่ามันต้องทุกข์มากมากจนทนอยู่ไม่ได้นี่คือต้นเหตุของการที่จะทำให้จิตต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ก็คือตัญหาทั้งสามนี้ กา마ตัหาภาวะตันหาวิภาวะตัหาถ้าต้องการที่จะหยุดการไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก็จาเป็นจะต้องทำลายความอยากทั้งสามนี้ห่อต้านความอยากทั้งสามนี้ไม่กระทำตามความอยากทั้งสามนี้ ทุกครั้งที่มันปรากฏขึ้นมาเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อต้านต่อสู้กับความอยากทั้งสามนี้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้เองคือเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเวลาเกิดความทุกข์ใจเราต้องรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของเราเอง ไม่ได้เกิดจากความรางแ้นเกิดจากความอดอยากขาดแคลนแล้วเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเราไม่ต้องไปแก้ที่ข้างนอกใจให้เรามาแก้ที่ภายในใจค้นหาดูให้เจอว่าตอนนี้กำลังอยากกับอะไรอยากกับรูปเสียงกลิ่นโนดโผตพะหรืออยากกับ สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้หรือไม่อยากกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้คนหาให้เจอแล้วหยุดความอยากนั้นเสียอยากไปทําตามความอยากด้วยการบําเพ็ญมรรคใช้มรรคมาช่วยระงับความทุกข์ได้นี่คือขั้นแรก สิ่งแรกที่เราควรจะมีความเข้าใจน่ก็คือทุกของเราเกิดจากความอยากของเราและการดับความทุกขของเราต้องดับที่ความอยากถ้าเราทําได้ความทุกข์ก็จะหมดไปแต่อยากไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะ ต่ออายุ ข, ของความทุกข์ให้ยาวออกไปเช่นเรามีความทุกข์กับการอยากจะดื่มสุราเวลาอยากดื่มสซลานี้ถ้าไม่ได้ดืม่มจะมีความรู้สึกหมุดหิตนาคานใจทุกข์ทรมานใจพอไปทําตามความอยากไปดื่มสุราความทุกข์ความหมุดหิตนาคานใจก็จะหายไป แต่เป็นการหายชั่วคราวเพราะหลังจากนั้นก็จะเกิดความอยากเดิมโซลาขึ้นมาใหม่ก็ต้องเกิดอาการหงุดหงิดเกิดความทุกข์ําคาญใจขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไปทําตามความอยากเองมันก็จะต่ออายุของความทุกข์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเวลาที่เราเกิดความอยากเดิมโซลา แล้วเรารู้ว่าความอยากนี้ทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราหงุดหงิดําคาญใจเราก็ฝืนอยากไปทําตามถ้าเราฝืนได้พอความอยากนี้สงบตัวลงความทุกข์ความหงุดหงิดําคาญใจก็สงบตัวลงไปเพราะเป็นผลที่เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากทําให้หงุดหงิดใจ พอความอยากนั้นสงบตัวลงความหมดหิดใ จ, จก็จะสงบตัวลงนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากวิธีที่จะแก้ความทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากเมื่อเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วความคิดของเราคือสัมมาสังกปร เราก็จะคิดแบบนี้เวลาเกิดความทุกข์อยากจะดื่มสุราเราก็ฝืนจะไม่ดื่มสุรายอมยอมยอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสู้กันไปสักระยะหนึ่งพอความอยากรู้ว่ามันไม่มีวันที่จะได้ดื่มสุรามันก็จะหยุดเองพอมันหยุดแล้ว ความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือความคิดที่ถูกต้องการกระทาที่ถูกต้องก็คือเราต้องไม่ดื่มสลาเรียกว่าสัมมากัมมันโตเราอย่าไปทำอะไรที่ไปเสริมความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมความอยากทาง กามตัณหาภาวะตัณหาหรวิภาวะตัณหาอย่าไปทําอย่าไปเที่ยวเวลาเกิดความอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวเวลาเกิดความอยากที่จะมีคู่ครองก็อยากไปมีเพราะนี่ก็เป็นการทำตามความอยากการมตัณหาเวลาอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากไปทําตาม อยากไปเป็นสอส อ, อยากจะไปเป็นรัฐมนตรีอยากไปเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรต่างๆก็อยากไปทาตามเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากมันไม่ได้หยุดตรงที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ตอนต้นเราก็อยากเป็นสอสพ อ, อได้เป็นสอสอก็อยากจะเป็นรัฐมนตรี พอเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีพอเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นหลายๆครั้งหลายๆรอบมันก็จะผลักดนันให้เราต้องไปวิ่งไปวิ่งเต้นไปต่อสู้เพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้การต่อสู้การแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ อันนี้คือเรื่องของสัมมากรัมโตความการการะทาที่ถูกต้องอย่าไปทําตามความอยากเช่นเดียวกับสัมมาวาจาอย่าไปพูดทำตามความอยากพูดตามความอยากอยากได้อะไรก็ไปพูดหวานล้อมให้ได้สิ่งที่อยากได้มาอยากได้แฟนก็ไปพูดคุยกับแฟนหวานล้อมหลอกล่อเขา ให้เขาเกิดความหลงไหลความเชื่อในตัวเราจนเขายอมมอบกายถวายใจให้กับเราการที่ได้เขามานั้นมันไม่ใช่เป็นความสุขเหมือนเป็นการได้ความทุกข์มาโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้มาแล้วก็ต้องมีความหวงมีความหวง เวลาแฟนไปคูดไปคุยกับใครก็ไม่สบายใจเวลาไม่เห็นหน้าแฟนก็มีความวิตกขวั่งใหญ่แล้วเวลาที่จากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจนี่คือผลที่จะตามมาถ้าไปทำตามความอยากไปพูดตามความอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์มาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุข สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวพธาล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็เป็นความสุขเวลามีอยู่ก็เป็นความสุขแต่เวลาเสียไปจากไป ก็จะเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญไปเสียไปต้องมีการพัดผ่าจากกันไปถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือให้ปฏิบัติแบบนี้อย่าไปทำตามความอยากอย่าไปพูดตามความอยาก อย่าไปมีอาชีพที่ตอบสนองความอยากต่างๆอย่าไปทำมาค้าขายหาเงินหาทองหาข้าวหาของของพวกนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสำ ม, มาชาีพของผู้ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเป็นนักบวชเงนงมีเป็นอาชีพของ เป็นสามาชีพ ท, ที่แท้จริงถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องการจะทำลายความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปต้องเป็นนักบวชเพราะนักบวชนี้จะเป็นอาชีพที่ทำลายต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบที่มีอยู่ภายในใจ เป็นอาชีพที่จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาปสาวกทั้งหลายท่านเป็นนักบวชทั้งนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ไม่ได้เป็นนักบวชแต่ก็อยู่แบบนักบวชจะถือว่าเป็นนักบวชก็ได้เพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่มีอาชีพอื่น จะไม่ไปทามาหาเกินหาเงินหาทองหาลาภหายศหาอะไรต่างๆจะหาเพียงอย่างเดียวก็คือหาธรรมาหาปัญญาหามักที่จะมาทำลายตัญหาความอยากต่างๆนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวอาชีพที่ถูกต้องก็คือต้อง อเป็นอาชีพของนักบวชสั ม, มาวายายโมความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือหมั่นเพียรที่จะสร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทำลายกิเลสตัณหานี่เองสร้างมรรคแปดขึ้นมาวิธีสร้างมรรคแปดก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิถือศีลถือศีลแปดศีลสองร้อยยี่บเจ็ด สุดแท้แต่ฐานะแล้วก็บำเพ็ญด้วยการเจริญสติให้ได้สัมมาสติเจริญสมาธิให้ได้สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วก็เจริญปัญญาให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรพอมีสติมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโป ก็จะสามารถที่จะทำลายความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจให้ตายไปให้หมดไปได้ถ้าเรามีอาวุธครบคันต่อให้มีศัตรูมากน้อยเพียงไรเราก็จะสามารถทำลายศัตรูให้หมดไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายได้ทำลาย ท่านก็ใช้มากแปลนี้เป็นเครื่องมือทำลายตันหาทั้งสามนี้พอไม่มีตันหาทั้งสามนี้หลงเหลืออยู่ภายในใจใจของท่านก็เป็นบริสุทธิพุทโธขึ้นมาเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิปราศจากเชื้อของภบชาติคือตันหาไม่มีตันหาตัวใดที่จะมา ฉุดลากให้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปเกิดใหม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่จะเดินให้ไปหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำตามความอยากเพราะไม่มีความอยากจะทำอะไรอีกแล้วพราอเห็นโทษของความอยากอย่างชัดเจน ว่าเป็นต้นเหตุของภพของชาติเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจที่ไม่มีวันสุดไม่มีวันสิ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตัดสั้มาพบความจริงอันนี้ความอยากของพวกเรานี้มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมีคำพูดที่พูดไว้ว่า ทะเลมาหาสมุทรนี้จะยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ตันหาความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามาหาสมุทรหลายล้านหลายแสนเท่าเพราะมันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆมันจะต่อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เขาพูดกันว่า มีคือก็อยากได้สอกมีสอกก็อยากจะได้วามีวาก็อยากจะได้หลายวาหลายไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในพลอยากเพิมขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตามใดมีความอยาก สามนั้นก็จะมีความวุ่นวายใจความกังวลกวายใจความกระสับ ก, กระส่ายความวิตกความกังวลความเศร้าโศกเสียใจที่จะตามมาจากการมีความอยากเหล่านี้นี่คือภัยของความอยากที่ไม่มีใครเห็นนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว สัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่เห็นโทษของความอยากแต่กับเห็นความอยากเป็นคุณเพราะถ้าไม่มีความอยากเขาคิดว่าโลกจะเจริญได้อย่างไรเขาเห็นความเจริญของทางโลกนี้จเจริญด้วยความอยากโลกเราทุกวันนี้มีข้าวของมากมายกายกองมีสินค้ามากมายก่ายกองมีตึกรลามบ้านช่องมีถนนหนทาง มีอะไรมากมายกลายกอก็เป็นผลที่เกิดจากความอยากเขาก็เลยคิดว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ผลักดันให้มีความเจริญกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ไม่มีอะไรกับสมัยนี้เขาก็เห็นคุณของความอยากว่าความอยากทำให้เขาได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา แต่เขาไม่ได้ดูที่ใจของคนที่มีความอยากว่าเป็นอย่างไรใจที่มีความอยากนี้มีอะไรมากมายกายกองแล้วมีความสุขไหมมีความสงบไหมหาความสงบไม่มีมีแต่ความดื่นรนอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทะเยอทะยานอยากอยู่ตลอดเวลาเวลาไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาที่กำลังหาก็เกิดความเครียดเกิดความวิตกเกิดความกังวลต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแนะ่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นกันกับมองเห็นว่าการทำตามความอยากแล้วมีความสุขอยากจะดูพอได้ดูก็มีความสุขอยากจะดื่มพอได้ดื่มก็มีความสุข อยากจะรับประทานพอได้รับประทานก็มีความสุขแต่ไม่ได้มองตอนที่เวลาอยากจะดื่มแล้วไม่ได้ดื่มมันเป็นอย่างไรอยากจะรับประทานแล้วไม่ได้รับประทานเป็นอย่างไรเวลาที่ร่างกายไม่มีไม่สามารถที่จะดูจะดื่มจะรับประทานได้จะเป็นอย่างไรหรือเวลาที่ไม่มีสิ่งที่จะจะดื่มจะรับประทานเป็นอย่างไร อันนี้ไม่มองกันไม่คิดกันคนที่ติดอะไรก็ต้องมีสิ่งนั้นไว้คอยเสพอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์แต่คนที่ไม่ติดไม่เสพสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เดือดร้อนเช่นคนที่ติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดนี่เป็นอย่างไรคนที่ติดยาเสพติดเวลาเขาเสพเขามมีความสุข เขาก็คิดว่าการเสพยาเสพติดนี้เป็นความสุขแต่พอเขาไปเจอวันที่เขาไม่สามารถหายาเสพมาเสพได้เขาจะเป็นอย่างไรเขาจะสุขหรือไม่สุขเขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์ส่วนคนที่ไม่เสพยาเป็นอย่างไรเวลาไม่มียาให้เสพเขาสุขหรื อ, รอทุกข์เขาเดือดร้อนหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ เราต้องพิจารณากันเราถึงจะเห็นโทษของความอยากของความติดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นโทษมันเป็นภัยต่อจิตใจแล้วมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอได้ต่อให้เสพไปเท่าเท่าไหร่ก็ตามก็จะไม่อิ่มไม่พอแล้วมันความไม่อิ่มไม่พอนี่แหละที่มันทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อีก พอหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ยังไม่อิ่มยังไม่พอใจที่ยังมีความอยากทั้งสามอยู่นี้มันก็จะดินไปหาร่างกายอันใหม่ทีนี้การที่จะได้ร่างกายอันใหม่แต่ละครั้งมันก็ไม่แน่นอนว่าจะได้ร่างกายแบบไหนเพราะมันมีเรื่องอย่างอื่นมามีส่วนตัดสินก็คือบุญกรรมบุญกับบาปที่เราทำไว้ ถ้าเรามีบุญมากเราก็จะได้ร่างกายที่ดีเวลามาเกิดใหม่เช่นได้ร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าบาสมีมากกว่าบุญเราก็อย่าไปฝันถึงเรื่องที่จะได้ร่างกายของมนุษย์เราจะต้องไปได้ร่างกายของเดลฉานแทนกันอันนี้มันเรื่องของบุญกับบาปที่เราทำกันในขณะที่เรา ทำตามความอยากตา่างๆถ้าเราไม่รู้บุญรู้บาปเราก็อาจจะไม่กลัวบาปกันเวลาอยากได้อะไรเราก็ทำด้วยทุกวิถีทางที่เราจะทำได้เพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ถ้าต้องทำบาปก็ยินดีที่จะทำเพราะไม่เชื่อว่าการทำบาปนี้จะมีผลต่อ ชีวิตของเราภายในอนาคตข้างหน้าคิดว่าได้มาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันได้ผลเท่ากันไม่ทำบาปแล้วได้มากับทำบาปแล้วได้มาก็ไม่มีผลอะไรแตกต่างกันจะคิดอย่างนั้นอกแต่เวลาที่จะต้องไปหาร่างกายใหม่เพราะความอยากที่ยังไม่มียังไม่หมดไปจากใจ ตัวบาปนี้กับตัวบุญนี้แหละจะเป็นตัวที่จะมาช่วยกันตัดสินว่าจะได้ร่างกายแบบไหนจะได้ร่างกายของมนุษย์หรือจะได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือจะได้เป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นนรกหรือจะได้เป็นเทพไ ด, เได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันบุญก็คือการทำตามมรรคแปนั่นเองถ้าปฏิบัติมรรคได้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ได้ก็เป็นการไม่ได้สร้างบุญหรือเป็นการสร้างบาปหรือสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาแล้วปฏิบัติตามให้ได้เพราะถ้าเรารู้ว่ามรรคแปเป็นอะไรและเราต้องปฏิบัติอย่างไรเราพอเอาไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติได้พอปฏิบัติได้เราก็จะกำจัดความอยากต่างๆภายในใจของเรา ให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีภพชาติที่จะตามมาอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติตามมรรคแปดได้เราก็ยังต้องไปเสี่ยงภัยกับการไปเกิดเป็นอะไรต่างๆก็อยู่กับการปฏิบัติของเราว่า ห่างไกลจากมากแปดมากน้อยเพียงม่ถ้าห่างมากก็จะแสดงว่าทำบาปมากถ้าห่างน้อยก็ทำบาปน้อยผลก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนคืออบายกับสุขติเป็นที่ไปของผู้ปฏิบัติผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมากแปดก็จะไปอบายเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคแปดได้ก็จะไปสู่สุคติไปตามขั้นตอนต่างๆของมรรคแปดที่ได้กระทําทำลายความอยากได้มากน้อยเพียงไรก็จะได้ผลในสุคติมากน้อยเพียงนั้นทำลายความอยากได้น้อยก็ไปขั้นเทพก่อนทำลายความอยากได้มากกว่านั้นก็ไปขั้นผม ทำลายความอยากได้ถาวรก็ไปเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพอได้ทำลายถึงทำลายหมดไปแล้วก็จะถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังปฏิบัติมากแปดไม่ได้หรือปฏิบัติได้น้อย ก็มีโอกาสที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญใหม่แต่การกลับมาเกิดมนุษย์นี่ในแต่ละครั้งไม่ได้หมายความว่าจะมีมรรคผลนำทางเราเสมอไปเพราะว่า พระพุทธศาสนาที่สอนมกรแปดนี้ไม่ได้มีอยู่กับโลกนี้ไปตลอดสำหรับมักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ท่านก็ได้ส่งพยากรณ์ไว้ว่าจะมีอายุประมาณ 5,000 ันปีรือจะมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเรียนรู้ถึงมรรแปด ถึงเรื่องของตัณหาความอยากถึงวิธีการดับตัณหาความอยากดับความทุกข์ต่างๆแต่หลังจาก 5,000 ปีไปแล้วจะไม่มีการถึกษาไม่มีการสั่งสอนไม่มีการปฏิบัติตามเพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครมีความสามารถที่จะเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติได้ ตอนนั้นก็จะไม่มีใครที่จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะปฏิบัติได้เพียงขั้นระดับชั้นพร ม, มโลกคือระดับสมาธิสามารถดับความอยากได้ชั่วคราวดับความทุกข์ได้ชั่วคราว เวลาที่จิตเข้าไปอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบแต่เวลาออกจากสมาธิมาออกจากความสงบมาปัญหาความอยากก็จะโผล่กลับขึ้นมาดังที่มีการพูดไว้ว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหาก็คือปัญหาความอยากสมาธินี้ก็จะเป็นเหมือนหิน เวลาหินทับยญ้าเอาไว้ย่าก็จะงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่เวลายกหินออกไปเดี๋ยวระยะไม่นานย่้าก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ฉันได้เวลาที่จิตอยู่ในสมาธิจิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาด้วยอำนาจของสติตอนนั้นตันหาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ไม่สามารถทำงานได้ แต่เวลาออกจากสมาธิมาพอสติปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งพอคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีแล้วก็จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองจนกว่าจะมี พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาใหม่อีกองค์หนึ่งถึงจะได้มีคนมาสอนเรื่องของมรรคแปดอีกครั้งหนึ่งแต่กว่าจะมีได้นั้นท่านบอกว่าเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกับกับนี้ก็เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนด้วยตัวเลขได้เช่นเขียนเราเขียนเลขล้านนี้เราเขียนมีหกหลักด้วยกัน แต่กลับนี่มันเป็นหกล้านหลักหรือหกแสนแสนล้านหลักก็ไม่รู้เป็นเวลาอันยาวมากกว่าที่จะได้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่ ง, งการที่พวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในพบนี้ชาตินี้จึงเป็นเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกแจ๊กพอต ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถูกกันได้ง่ายๆรางวัลที่หนึ่งนี้ถูกได้เพียงคนเดียวเท่านั้นถ้ามีรางวัลเดียวสมัยนี้เขาขยายเป็นหลายรางวัลเป็นซื้อหลายใบก็ซื้อหลายใบเบอร์เดียวกันก็จะถูกได้หลายรางวัลที่หนึ่งได้หลายครั้งแต่มันก็เป็นสิ่งที่ยาก เพราะมันเป็นหนึ่งในล้านถึงจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งการที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนานี้มันยากยิ่งกว่าหนึ่งในล้านนี่ตอนนี้พวกเราถือว่ามีโชคมาสารได้มาพบกับพระพุทธศาสนานได้พบทางที่จะนําพาไปสู่การดับทุกทางที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าพวกเราไม่ไปขึ้นรางวัลก็ช่วยไม่ได้มีถูกออเดอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มันยังเป็นเพียงกระดาษใบเดียวเท่านั้นเองถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็จะไม่ได้เงินล้านมาฉันใดถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบตัติตามที่พูดเจ้าทรงสั่งสอนไว ก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ได้พบกับความทุกขที่ความสุขอันยิ่งใหญ่คือปรามังสุขขังบัลมะสุขอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะไปขึ้นบางวันนี้หรือไม่ถ้าอยากจะขึ้นบางวันก็ต้องไปบวชกันไปมีสัมมาอาชิโรบวช ไปปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าผู้ที่จะขึ้นรางวัลที่หนึ่งนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นนักบวชทั้งนั้นนักบวชก็มีแบบเต็มรูปแบบกับนักบวชที่เป็นนักบวชทางใจแต่ทางกายไม่ได้บวชทางกายเป็นคารวะแต่ทางใจเป็นนักบวชปฏิบัติเหมือนกับนักบวชทุกอย่าง เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่วัดอยู่วาเท่าทนั้นเองแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติมรรคแปดอย่างเต็มที่เหมือนกับนักบวชที่บวชกันแต่สมัยนี้อาจจะกลับกันก็ได้พวกนักบวชนี่กลับไม่ปฏิบัติกันก็มีเยอะแยะพวกที่ไม่ใช่เป็นนักบวชกลับปฏิบัติกันอาจจะมีมากกว่าเสียได้ทําไป นั้นอยู่ที่การปฏิบัติการขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานี้อยู่ที่การปฏิบัติมรรคแถ้าปฏิบัติมรรคแได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะได้รับนางวันที่หนึ่งได้พระนิพพานได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้การดับของความทุกข์อย่างถาวรอยู่ที่ตัวเราเอง พรจะพุทธเจ้าท่านทาหน้าที่ของท่านแล้วท่านค้นพบทางที่จะพาให้เราได้ดุจพ้นแล้วแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราแล้วอยู่ที่พวกเราว่าเราจะทำการบ้านเราจะปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นถ้าเราไม่ทำการบ้านไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้ผลถ้าเราทำเราก็จะได้ผล อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราดัางนั้นก็ขอฝากเรื่องของมรรคแบบนี้ทางที่จะพาให้เราได้ไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกทางที่จะพาให้เราไปสู่บรลล ม, มสุขคือความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรอยะถาวาลิวาาปุราปริปุเรนติสากราง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเนวะสมิจจตุสัพเเพปุเรนตุสังกป่าจันททปนาราโสยธามณิโจติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตผวะทวันตาราโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาทนสิฤษะนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวทานติอายุวันโสุขังภาลาง ต่อเปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะถามปัญหาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะให้อธิบายให้แจมแจ้งกว่านี้หรือมีปัญหาเรื่องอื่นอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ขอให้มาพูดตรงที่ไมโครโฟนเพื่อผู้อื่นจะได้ยินคำถามสวัสดครับแบบไมดี๋วเปิด กับอนุสการคับท่านอาจารย์โยมมีถามเรื่องหนึ่งอย่างเช่นนาของโยมเหนไหมละท่านผูงเป็นคนรักบ้านมาก่วงบ้านแล้วก็มีสมบัติพอสมควรที่นี้นเวลาท่านไปโรงยบายเวลาดับเนี่ยก็ดับโดยกระทันหันคือเป็นโรคไอ เส้นเลืออะไรเงี้ยกระดับสัดตันหันในขณดจิตที่จะดับเนี่ยก็ไปติดพันอยู่กับบ้านแล้ววันนี้ครบรอบร้อยกว่าวันแล้วแต่ดีโยม้าไปบ้านท่านดีไลก็มีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่ในบ้านไม่ยอมไปเกิดอย่างนี้จะมีวิธียังไงที่เราจะทําให้ท่านไปเกิดละจากบ้านหลังนี้ไปได้ค่ะท่านเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็ไปเองนะเพราะว่า มันเป็นความผูกพันชั่วระยะหนึ่งแต่พอรู้ว่าไม่สามารถที่จะหาความสุขจากบ้านหาความสุขจากบุคคลที่อยู่ในบ้านได้ท่านก็ต้องไปตามความอยากของท่านต่อไปไปหาที่ที่จะทำให้ท่านมีความสุขได้ก็ไปตามอำนาจของบุญและบาปที่ได้ทำไว้เหมือนกับพระที่ติดตีวร ในสมัยพุทธกาลเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะชายเกาะผ้าจีวรของตนพระพุทธเจ้าทรงเดินยาณเห็นได้ว่าเป็นพระที่เสียไปยังรักจีวรยังห่วงจีวร อ, อยู่ทรงสั่งพระไม่ให้ไปแตะต้องจีวรผืนนั้นพอหลังจากเจ็ดวันไปรู้สึกตัวเลนนั้นก็ตายไปพอตายไปแล้วเขาก็ไปตาม ทางของเขาต่อไปเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาหาสิ่งที่เขารักเขาหวงได้แล้วเขาก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ต่อไปเราทําอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของวิบาก<ม>ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําใจของเราให้ยอมรับกฎแห่งกรรมไปที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเตือน ใจเราอยู่เรื่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันดีอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุโดยความหลงโดยความไม่รู้เท่าว่าเรากำลังสร้างความทุกข์เพราะความอยากของเราเอง ดังนั้นเราต้องหยุดความอยากของเราแล้วก็ยอมรับกฎแห่งกรรมแล้วเราก็จะสบายใจแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็ไปเองในเมื่อเขาไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาหวงได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปตรงนั้นทำไมเขาก็จะไปของเขาเองเหมือนกับสุนัขถ้ามาหาเราแล้วเราไ ม, ไม่ไม่มีข้าวให้เขากินอย่างนี้ เขามาอยู่ไม่กี่วันเขาก็ต้องไปหาที่อื่นต่อไปเพราะไม่มีข้าวให้เขากินที่ตรงนี้แันใดความสุขที่เขาเคยได้รับจากบ้านของเขาจากสมบัติของเขาตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขายังมีความสุขกับบ้านกับสมบัติได้แต่พอเขาตายไปแล้วมีแต่ดวงวิญญาณแล้วไม่มีร่างกายที่จะเป็นเครื่องมือในการ หาความสุขจากสมบัติจากบ้านเขาก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปตามอำนาจของบุญและบาปที่เขาได้ทำไว้ต่อไปฉันขอให้เราเชื่อกดแห่งกรรมแล้วพยายามทำบุญไว้มากๆดีกว่าอย่ารักอย่าหวงอะไรมากจนเกินไปให้เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ถาวร สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปถ้าเราอยากจะเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นไปกับเราเราก็เอาไปขายเสเอาไปทำบุญทำทานเสีะมีบ้านหลายหลังก็ขายมันไปเอาเงินที่ขายบ้านนี้ไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวาทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าแล้วเราจะได้เอาบุญกุศลไปกับเรา เรบุญกุศลก็จะพาเราไปสู่บ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่คือวิธีของคนฉลาดของคนที่เชื่อกฎแห่งกรรมคนที่เชื่อกฎอนิจจ์ว่ามีอะไรก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปแต่เราสามารถทําประโยชน์จากสิ่งที่เรามีได้ก่อนที่เราจะจากมันไปถ้าเราไม่ทําประโยชน์ เวลาเราจากมันไปสิ่งที่เรามีอยู่นี้ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับเราแล้วเรากลับมาหามันมันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราเหมือนกับสมัยที่เรามีชีวิตอยู่ได้ฉนั้นขอให้เราเอาบ้านคือบุญกุศลไปกับเราบุญกุศลนี้เป็นเหมือนบ้านที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้พอเราไปเกิดที่ใหม่เราก็จะได้บ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเก่าให้ความสุข มากกว่าเขาแล้วก็เกิดบ้าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานเท่าไหร่ทําน้อยด้วยอันนั น, นี้เราได้ทําบุญให้เขาไปบ่อยๆเป็นประจําไอ้บุญตัวนี้เขาจะได้รับไม่ชาท่านบุญที่เราทําให้เขาถ้าเขารออยู่เขาก็จะได้รับแตเ่เป็นบุญแบบที่เราให้กับขอทานเงินให้ขอทานคือบุญอุทิศนี้ ไม่สามารถอุทิศให้ได้มากไปกว่าความสามารถของผู้รับที่จะรับได้ผู้รับอยู่ในฐานะของขอทานรับได้เพียงแต่อาหารพอประทังชีพไป ว, วันวันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้บุญใหญ่เขาต้องทําเองขณะที่เขามีชีวิตอยู่ถ้าเขาทําเองเขาจะมีทรัพย์ติดตัวไปเขาจะไปเป็นเศรษฐีทําจิตวิญญาณคือไปเป็นเทศพ ไปเศษรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์นะบแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็จะไม่มีทรัพย์ติดตัวไปแต่ถ้าเขาไม่ไปไม่ได้ทำบาปเขาก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องมาเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เล ย, ยงนั้นถ้าเราไม่ได้ทำบุญก็ขอให้เราอย่าทำบาปด้วยก็แล้วกัน ถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงเราไปอบายได้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือสถานาภาพของมนุษย์คืออยู่ในระหว่างบุญกับบาปบุญก็ไม่มาก บ, บาปก็ไม่มากคือบาปก็ไม่มากกว่าบุญบุญก็ไม่มากกว่าบาปดึงไปทางบาปก็ไม่ได้ดึงไปทางบุญก็ไม่ได้ก็ต้องมาทางมนุษย์ เาเกิดใหม่ค่ะดันข้ามีการอยากจะถามมั้ยกรรมนักการค่ะกรรมนัสการพระอาจารย์ที่เคารพค่ะมีเรื่องจะสอบถามนะคะว่าสมัยเด็กๆเป็นต้นมาเนี่ยค่ะก็จะได้รับคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ว่า เวลาไปเจอสารพภูมิหรือเจอรูปปั้นเทวดาหรือว่าพุทธรูปมันก็ไหวแต่พอหลังจากที่มาภาวนาค่ะพอเห็นสารทภูมิเห็นรูปปั้นเห็นอะไรอย่างนี้แล้วจิตมันก็รู้สึกว่าเฉยๆมันเฉยมากจนกระทั่งตัวเองมารู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะทําไมมันไม่เหมือนเดิมก็มีจิตอีกตัวหนึ่งสั่งเาบอกว่าถ้ารูปปั้นเทวดาอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากไหวหรือเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปขอหน่อยไหวหน่อยก็ลับกันก็เลยอยากทราบว่า อาการแบบนี้มันมันมันทำไมถึงเกิดขึ้นได้แล้วควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างคะคือถ้าเรามีความรู้ความเข้าอกเข้าใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นปฏิกิริยาทางจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนไปําไมเด็กๆเราอาจจะถูกสอนให้ให้เห็นว่าเทวรูปหรือสารพระภูมินี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ เป็นสิ่งที่ให้คุณให้โทษกับเราได้เราก็จะมีความเคารพมีความนับถือแต่พอเราโตขึ้นเราได้ศึกษามีวิชาความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเรารู้ว่าเขาไม่มีอะไรกับเราไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราเราความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเราก็เปลี่ยนไปได้แม้แต่พระพุทธรูปตอนนี้เราอาจจะมีความเลื่อมใสยอยากจะกราบไหว้ แต่การกราบไหว้ของเรานี่กราบไหว้ด้วยเหตุผลอันใดบางทีถ้าเรากราบไหว้เพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าให้คุณให้โทษกับเราได้เป็นเหมือนกับผู้พิเศษที่จะเราจะขออะไรจากท่านได้อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้พบกับพระพุทธเจ้าภายในใจของเราเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ สอนให้เราได้หยุดพ้นจากความทุกข์ความรู้สึกต่อพระพุทธรูปก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรารู้ถ้ารู้รู้ในสิ่งที่ที่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องแต่ถ้ารู้ไม่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติแบบผิดๆได้เช่นคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธรูป มีไว้ทำไมก็คิดว่ามีไว้เพื่อขอพรขอสิ่งต่างๆขอให้เป็นเหมือนกับผู้คุ้มครองเป็นรอปภปกป้องภัยต่างๆแต่ความจริงแม้แต่พระพุทธรูปเองก็ยังปกป้องตัวเองไม่ได้โดนโจนตัดเสียนไปขายเยอะแยะไป แต่พระพุทธรูกนั้นมีไว้ให้เราเราเลิกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเลึกถึงวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เอามาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้จะทําให้เราหลุดพ้นจากภัยที่ร้ายแรงได้ก็ภัยที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่านั้น mm hmm. ก็ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่า เป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ข้อสําคัญจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็อย่าไปลบหลู่สิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปลบหลู่เพราะการลบหลูน่นี้ไม่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กับใครอาจจะเกิดโทษกับเราได้เพราะผู้ที่เขายังเคารพนับถือเขาก็อาจจะไม่พอใจในการกระทําของเรา แล้วอาจจะทำร้ายเราได้มีคำถามมันเดียวเลยมีใครอยากถามอะไรไหมข้อที่สองค่ะอันนี้ข้อสุดท้ายค่ะเคยอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ได้ในหนังสือค่ะก็บอกวาอ่าเรื่องของอาการฝึกภาวนาแบบสติปัฏฐานนะคะ จะช่วยให้แก้เรื่องของคุณใสหรือพูดผีปีศาจได้อยากทราบว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคะคือเรื่องคุณใสพูดผีปีศาจนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้เป็นเรื่องของความเชื่อแบบงมงายพอผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานได้จะมีปัญญามีความรู้ที่จะรู้ว่า อะไรเป็นอะไรฉันรู้ว่าความเสื่อมต่างๆนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องชิบหายวายวอดกันทั้งหมดจะไปทําพิธีกรรมอะไรก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความความเสื่อมความชิบหายวายวอดได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกคือเป็นเรื่องของกฎอนิจจัง มีการเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาคือไม่มีใครไปห้ามมันได้ต่อให้ทําพิธีกุญสัยทำอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของกฎธรรมชาตินอกจากรู้เรื่องของกฎของธรรมชาติแล้วยังรู้เรื่องกฎแห่งกรรมด้วยว่าชีวิตของคนเราจะเจริญหรือเสือ่อม ส่วนหนึ่งก็เกิดจากบุญและบาปที่เราทํากันนี่แหละเวลาที่เราเสื่อมก็ถ้าไม่ได้เสื่อมด้วยกฎของธรรมชาติก็เสื่อมด้วยกฎแห่งกรรมนะฮะก็ไม่มีใครไปแก้ไปเปลี่ยนมันได้อยู่ดีนะฮะแทนผู้ที่มีผู้ที่จะเริญสติปัฏฐานเมื่อจะมีปัญญาเห็นกฎของกรรมและกฎของธรรมชาติก็จะไม่ต้องไปทําประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆ หรือโกรธใครเกลียดใครก็ไม่ต้องไปทำพิธีคุณใส่ไปสาบไปแช่งให้เขาเสื่อมให้เขาตายเพราะรู้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเขาตายก็เองไม่ต้องไปทำไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครไม่เสือ่อมแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุญกรรมถ้าเขามีบุญทํายังไงให้เขาเสือ่อมเขาก็ไม่เสือ่อมอย่างพระพุทธเจ้าพระเทวทัตพยายามโปร่งพระชนถึงสามครั้งก็ทาไม่ได้ เพราะบุญของพระพุทธเจ้านี้มีมากดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานก็คือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาก็จะไม่ถูกมิจฉาทิฏฐิคือความเชื่อแบบงมงายต่างๆมาครอบงำจิตใจเพราะมันไม่มีมันมีแค่สองอย่างนี้คคือกฎแห่งกรรมกับกฎของธรรมชาติ มีทางอินเทอร์เน็ตไหมมีาไมโครโฟนใครถามมั้ยครับหมอออยู่ห้องหลังจะถามรบางมออาดามอพ่อเจ้าคะเมื่อเช้าฟังธรรมของพระอาจารย์องค์หนึ่งอะค่ะ ท่านก็บอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปจนกระทั่งถึงสมมติว่าจิตลงลึกแล้วอะค่ะแล้วก็ต่อไปในการนั่งสมาธิอีกก็ต่อไปให้จําเส้นทางเดิมไว้อ่ะค่ะก็เลยสับสนว่าเอ๊ะเราต้องจํำไหมคะหรือว่าปล่อยไปทําตามธรรมชาติเลยอะคะก็เวลาเราทําอะไรเช่นเราทํากับข้าวเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องจําไว้ว่าวิธีทํากับข้าวของเราเราทำอย่างไร คราวหน้าเวลาเราทําเราจะได้ทําเหมือนเดิมได้เท่านั้นเองหมายควา ม, มอย่างนั้นเช่นเราทํากับข้าวอาหารจานเด็ดจานนี้กินแล้วอร่อยต้องจําไว้ถ้าจําไม่ได้ก็จดไว้ใช่ไหมจดสูตรไว้ว่าต้องใส่น้ําตาลกี่ช้อนน้าปลากี่ช้อนใส่อะไรไปอย่างไรนี่คือการจดจําเวลาจิตนั่งจิตนั่งสมาธิาจิตสงบก็ให้สังเกตว่ามันสงบได้อย่างไร เพรสติของเราต่อเนื่องใช่ไหมจิตของเราไม่แวบไปคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้จิตเราอยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องก็ท่านนี้นเองให้จําวิธีการที่เรานั่งแล้วทําให้จิตของเราสงบอ๋อแล้วค่ะแล้วก็เอาไปข่าวต่อไปเวลานั่งเราก็ทําแบบเดิมอย่าไปทําแบบผิดก็คือนั่งปั๊บก็อยากจะให้เกิดผลเหมือนข่าวที่แล้วท่านอย่างนี้จะไม่เกิด <ค><ะ>เพราะผลมันไม่ได้เกิดจากความอยากผลมันเกิดจากการมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเป็นอารมณ์ควบคุมใจ<ค><ะ>เราก็ต้องไปเจริญสติอยู่กับอารมณ์นั้นต่อเจ้าค่ะตอนนี้ก็ก็นั่งสมาธิก็เริ่มสงบดีขึ้นเจ้าค่ะแต่ว่ามันยังไม่เป็นสมาธิแบบแบบจริงๆริะค่ะก็<ค>ะต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆทั้<ค><ะ>งวันเลย ไม่ว่าทำอะไรอยู่กับร่างกายก็ได้หรืออยู่กับพุโทโธก็ได้ให้ดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆฝึกให้เป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธให้ดูลมก็จะดูลมอย่างเดียวจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่คิดแล้วเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ ค่ะหุลวงพ่ อ, อเจ้าค่ะมิติสุดท้ายค่ะก็ตอนนี้ก็คือสวดมนต์เสร็จหนึ่งรอบเสร็จใช่ไหมคะก็คือหลับตาสวดมนต์เสร็จแล้วก็สวดสวดลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะร้อยจบแต่ว่ามันก็จะมีการสับสนว่าสวดเสร็จหนึ่งรอบรอบสองรอบสามทีมันนับผิดค่ะแล้วแต่ก็เหมือนกับกิเลสมันหนาค่ะมันแตบว่าอยากออกจากสมาธิแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยใช้กลวิธีว่าสวดให้ครบหนึ่งรอบเสร็จถือว่า พอแล้ววันนี้เงี้ยนะคะก็อย่าไปนับรอบพยายามสวดไปให้เรื่อยๆจนกว่าจะสวดไม่ไหวแล้วค่อยหยุดก็แล้กันไม่งั้นมันจะเป็นการมันจะทำให้จิตเราวอกแวกฟุ้งไปแทนที่จะมีใจจดจ่ออยู่การสวดก็มานิดให้นี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิห้าไปเจ็ดสิ่ค่ะจ้ะค่ะสาธุจ้ะค่ะดูถ้าเราลองลองตั้งเวลาดูว่าร0อยรอบนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ลอง ลองใช้เวลาแทนก็ได้ว่าถ้าร้อยรอบต้องใช้ยี่สิบนาทีก็เอาไปเราก็ตั้งมันยี่สิบนาทีแล้วก็สวดมันไปจนกว่านาฬิกามันจะร้องขึ้นมาแล้วก็หยุดสวดแต่ระวังอย่าไปคอยนั่งจ้องดูที่นาฬิกาเอ้เมื่อไหร่มันจะดังตั้งีว่าพระอาจารย์ครับเคยใช้วิธีนี้ครับเหมือนสวด กี่รอบเนี้ยครับเราก็จะให้สติจดจออยู่กับจํานวนรอบแต่ถ้าเกิด ม, มันมั่วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เริ่มรักหนึ่งใหม่เลยเงี้ยครับอาจารย์วิธีไหนก็ได้ความจริงมันเป็นอุบายเพื่อให้ไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องเดียวแล้วใจมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบถามมาครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติหรือพิชาโตนะครับ คำถามของคุณพีทฟูนะครับตอนนี้ชีวิตของกระผมมาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรต่อไประหว่างใช้ชีวิตทางโลกหรือใช้ชีวิตทางธรรมหากจะใช้ชีวิตทางธรรมก็ติดเงื่อนไขอยู่ที่พ่อแม่แฟนจึงไม่รู้ต้องทําอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณ คุณไม่รู้เราจะรู้ได้ยังไงเราไม่มีพ่ อ, อเราไม่มีเราไม่มีแฟนมีพ่อมีแม่เราก็ไม่มีปัญหากับท่านนะคำถามข้อต่อไปเป็นข้อความส่งมาในอินบ็อกของเพจคณะสิทธิ์พระอาจารย์สุชาตินะครับจากคุณอากาลิโกนะครับซึ่งหลังจากอ่านข้อความแล้วก็นำาให้พระอาจารย์ตอบดีกว่าครับ เป็นเขาเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขาเขียนไว้ว่าจิตที่เกิดขึ้นทางใจเพื่อทำหน้าที่ทําให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเรียกว่าฮาสิตุ ป, ปาภิจิตจิตดวงนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่พระอรหันต์พิจารณาเห็นกรรมของบุคคลที่กำลังจะได้รับความทุกข์แล้วย้อนกลับมาพิจารณาตัวท่านเองว่า ท่านได้พ้นจากทุกทั้งปวงแล้วจึงทำให้เกิดโสมนัสและเกิดการยิ้มขึ้นการยิ้มด้วยอาการเช่นนี้เกิดได้ด้วยฮาฟิตุปาทจิตอะไรนะครับการหัวเลาะและการยิ้มโดยทั่วไปเกิดจากจิตหลายประเภทบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันย่อมหัวเลาะหรือยิ้มด้วยโลกมูลจิตที่เป็นโสมนัส หรือมหากุศลจิตที่เป็นสมนัตพระอาหารหันต์ท่านไม่มีกิเลสแล้วจึงไม่มีเหตุที่ทำให้ท่านหัวเลาะอย่างมากก็เพียงแค่ยิ้มเท่านั้นขณะที่พระอาหารหันต์ยิ้มนั้นท่านอาจอาจยิ้มด้วยมหากริยาจิตที่เป็นสมนัตหรื อ, อสีตุ ป, ปาตาจิตซึ่งเป็น เหตุเจยาจิตก็ได้เนี่ยครับก็คําตอบง่ายๆก็คือปฏิบัติไปให้เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะรู้เองคือเหมือนเขาสงสัยว่าเอ๊ะทําไมคนเขียนเนี่ยถึงอ่าเขียนอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นของปลอมอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่างที่สอนไว้แล้วว่าให้ใช้หลักการอมโนสูตร เราได้ยินได้ฟังอะไรมาเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อและอย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้เราพิสูจน์ให้เห็นชัดก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงแ ล, แล้วมีข้อย่อยอีกหน่อยครับอาจารย์ที่เขาเขียนไว้ว่าการยิ้มและการหัวเราะย่อมเกิดจากบุคคลทั้งหลายในลักษณะที่แตกต่างกันในัำพีของัำพีอลังการจำแนกว้หกอย่างคือสีตา ยิ้มอยู่บนใบหน้าไม่เห็นลายฟันเป็นพระอาการยิ้มของพระพุทธเจ้าก็ว่าไปอ่านแล้วให้พระอาจารย์ตอบดีกว่เอเราไม่ตอบกระกำจางไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ให้ปฏิบัติไปเถนให้จิตเป็นอรหันต์แล้วมันก็จะรู้เองถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เป็นเหมือนกับพวกตาบอดคำช่าง ห้าคนคาเป็นคนละที่กันแล้วก็มาเถียงกันว่าช้างเป็นงาช้างเป็นหอกช้างเป็นเชือกช้างเป็นงูช้างเป็นฝาผนังช้างเป็นเสาไปจับที่ขาเขาก็ว่าเป็นเสาไปจับที่หางก็ว่าเป็นเชือกไปจับที่งวงก็ว่าเป็นงูอที่งาอที่งวงก็เป็นงูที่งาก็ว่าเป็นหอกไปจับที่ท้องก็ว่าเป็นฝาผนังมันก็ถูกทั้งนั้นแหละแต่มัน มันทำไมต้องมาเถียงกันถ้ามันถูกเพราะมันเห็นเพียงส่วนเดียวมันไม่เห็นทุกส่วนจางนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเสียเวลากับมันเราควรจะเอาเวลามาเปิดตาของเราดีกว่าอลืมตาให้เห็นพอลืมตาเห็นแล้วความสงสัยอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเองหมดไปเองถ้ายังไม่ลืมตามันก็ยังตอบยังไงมันก็ยังไม่มันไม่หายสงสัยเรา หายสงสัยดังนี้มันก็มีเรื่องอื่นให้มาสงสัยอยู่นั่นนะเะฉนั้นวิธีที่จะแก้ความสงสัยได้อย่างถาวรอย่างหมดสิ้นก็คือต้องลืมตาขึ้นมาต้องทําใจให้สว่างให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงไว้ วันนี้มีคำถามเพียงล็กน้อยนะนโอเ ค, คตอนนี้ใครมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็อะมียกมื อ, อเชิญเข้ามาหน่อนยน้าประมาศกาลพรคุณเจ้านะคะคืออยากจะถามถึงวิธีการวางใจหรือวางตนอย่างไรในการที่เราจะถูกคำติชินนินทา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เราสึกอับอายทนอยู่ได้ยากแม้เรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพียงนิดเลยอย่างนี้ค่ะโดยการเป็นโดยโดยที่เป็นการวางแลอย่างแท้จริงคือใจเตอนนี้มันไม่มีอุเบกขานั่นเองอุเบกขาคือความเป็นกลางความปัสจาระคติสี่คือรับเชิงรับชังกลัวหรือหลงการที่จะทจําใจให้เป็นอุเบกขาได้ก็มีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิเวลาใจสงบเป็นสมาธิใจก็จะเป็นอุเบคาเป็นกลางจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการสัมผัสรับรู้ทางอายตนะต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะจะได้ยินเสียงอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่ใจอยู่ในสมาธิแต่มันเป็นเฉยได้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาความเฉยนี้ก็จะหายไปพอได้ยินนินทาสนรเสริญก็จะเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาถ้าอยากจะรักษาความอุเบกขาให้คงไว้ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าคําสรรเสริญคํานินทานี้เป็นอนัตตาคืออยู่เหนือวิสัยที่เราจะไปหักไปควบคุมบังคับได้เราไปสั่งให้เขา ชมเราไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ให้เขาดินทาเราไม่ได้ให้เราพิจารณาเหมือนเสียงลมเสียงนกเสียงกาที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาวางเฉยอย่าไปสนใจถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเรามีสมาธิอยู่เดิม เราก็จะกลับไปสู่อุเบกขาได้ใจเราก็จะเป็นกลางจะสักแต่ว่าได้ยินใจจะไม่มีปฏิกิริยาไม่ดีใจไม่เสียใจต่อการสัมผัสรับรู้ทางอายตนะ <c oughs> ะนั้นต้องพยายามปฏิบัติจเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วต้องคอยสอนใจว่าสัพเพธรรมานัตตาอยู่เรื่อยๆทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติ เป็นเหมือนเสียงลมเหมือนลมแดดดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปสั่งดินฟ้าอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่เราสามารถอยู่กับดินฟ้าอากาศได้ด้วยการทำใจของเราให้วางเฉยนี่คือถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนกับคำสรรเสริญนินทาไม่เดือดร้อนกับการเสื่อม การเจริญของราบยศนั้นขอให้นำเอาไปปฏิบัติมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าวันนี้เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทอ